ต้องอยู่ในกายนะถ้าหลัละลัละแล้วจิตออกข้างนอกไม่ดีหายใจที่หายใจแล้วเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาข้างในนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดินนะใหญ่ยเยอะนะเยอะแล้วแน่นถ้าแน่นแล้วตึงเกินไปถ้าสบายเพลิอนออกข้างนอกเขหย่อนเกินไปนะพอดีพดีใช้ได้ต่อไปใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเอาจำเป็นจริงๆนะอย่าโลภ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 อย่าเคลื่อนออกไปนะเคลื่อนไปแล้วไปหลับอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ย่างนั้นไม่ดีออกมาแล้วโมหามจะมาด้วยเพิ่มสติขึ้นอย่างนั้นเรียกสมาธิล้าหน้าสติไปค่ อ, อแล้วก็คือแต่ว่าสงสัยเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศว่าเออตะนแรกโยมๆยมคิดว่าหลังจากที่เราดูเดินดูไปแล้วก็